มักในฐานะมักคาสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิตดูก่อนมหาบพิษอัตมาภาพได้กล่าวกับภิกษุผู้ชื่ออานน์ว่าอานน์ความมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายชอบคบหากัลยาณชนนี้เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้ จากยังอริยอัสดางคิกามักให้เกิดมีจากทาให้มากซึ่งอริยอัสดางคิกามักเพราะฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระองค์พึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเป็นผู้มีกัลยาณสหายเป็นผู้ชอบคบหากัลยาณชนพระองค์ผู้มีกัลยาณมิตรพึงเป็นอยู่โดยใช้หลักธรรมเอกข้อนี้คือความไม่ประมาทคือไม่ปล่อยปละละเลย ในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทองนางฝ่ายในขติญาทั้งหลายพูดตามเสด็จกองทัพและแม้ชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลายก็จะมีความคิดดังนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ไม่ประมาทส่งเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทเห็นทีว่าแม้พวกเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท อยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทเหมือนกันเมื่อพระองค์ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทแม้พระองค์เองก็จักเป็นอ น, นได้รับการคุ้มครองรักษาแม้พวงนางฝ่ายในก็จักเป็นอ น, นได้รับการคุ้มครองรักษาแม้ยุงฉางพระคลังหลวงก็จักเป็นอ น, นไดีรับการคุ้มครองรักษาผู้ปรารถนาพรกรัพย์อันโอรัญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิงมีความไม่ประมาท บัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทจึงยึดเอาได้ซึ่งอัฏฐทั้งสองประการคือทิฏฐะธรรมิกัฏฐะและสัมปราญิกัฏฐะคนที่เรียกว่าเป็นปราดเป็นบัณฑิตก็เพราะบรรลุอัฏฐอัฏฐหรืออัฏฐแปลว่าเรื่องราวความหมายความมุ่งหมายประโยชน์ ผลที่หมายหรือจุดหมายในที่นี้แปลเอาความว่าประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือจุดหมายของชีวิตหมายถึงจุดหมายของพระธรรมจรย์หรือจริยธรรมหรือระบบการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระรรมจริยานี้ ก็คือนิพพานซึ่งมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าปารมัดหรือปารมาธาแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งหรือจุดหมายสูงสุดเป็นธรรมดาว่าในการสอนธรรมะจะต้องเน้นและเร่งเร้าให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดอย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามประโยชน์หรือจุดหมายขั้นรองลดหลั่นกันลงมา ที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงตามระดับความพร้อมของตนและก็ได้จำแนกจัดวางเป็นหลักไว้ด้วยดังจะเห็นได้จากพระบาลีที่ยกมาแสดงไว้ข้างต้นนี้ในชั้นเดิมเท่าที่สอบค้นดูพอจะกล่าวได้ว่าท่านจัดแบ่งอัฏถะหรือจุดมายนี้ไว้เป็นสองระดับเหมือนอย่างในบาลีที่ยกมาอ้างไว้นั้นกล่าวคือระดับที่หนึ่งประโยชน์ขั้นต้น เรียกว่าอิทธธรรมิกัตถะแปลว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์บัด น, นี้ระดับที่สองประโยชน์ขั้นล้าเรียกว่าสัมปรายิกัตถะแปลว่าประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์เบื้องสูงในกรณีเช่นนี้ปรมาถะหรือประโยชน์สูงสุด ก็รวมอยู่ด้วยในข้อสองคือสามปรายกัตถะคือเป็นส่วนยอดสุดของประโยชน์ขั้นที่สองนั้นแต่ในชั้นหลังท่านคงประสงค์จะเน้นปรมาถะให้เด่นชัดเป็นพิเศษจึงแยกออกมาเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหากและจัดประโยชน์หรือจุดหมายนั้นเป็นอัฏฐะสามชั้นดังมีความหมายโดยสรุปดังนี้ชั้นที่1ทิฏฐธมิกัตถะ ประโยชน์บาดนี้ประโยชน์ขั้นตาเห็นประโยชน์ชีวิตนี้หรือประโยชน์ปัจจุบันเป็นจุดหมายขั้นต้นหรือจุดหมายเฉพาะหน้าหมายถึงประโยชน์อย่างที่มองเห็นเห็นกันอยู่ที่เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเป็นเรื่องชั้นนอกหรือเรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ได้แก่ลาบยศสุขสรรเสริญ หรือทรัพย์สินฐานหน้าเกียรติไมตรีชีวิตคู่ครองที่เป็นสุขเป็นต้นรวมถึงการสแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยทางชอบธรรมการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้โดยทางที่ถูกต้องการใช้สิ่งเหล่านี้ทําตนและคนที่เกี่ยวข้องให้มีความสุขการอยู่ร่วมกันด้วยดีปฏิบัติหน้าที่ต่อ ก, กันอย่างถูกต้องในระหว่างมนุษย์เพื่อความสุขร่วมกัน ชั้นที่สองสัมป ร, ราญิกระทัปประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชน์ที่ลึกล้ำยิ่งกว่าที่จะมองเห็นการเฉพาะหน้าหรือผิวเผินภายนอกเกี่ยวด้วยชีวิตด้านในหรือประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิตเป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปซึ่งเป็นหลักประการชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป หรือเป็นเครื่องประกันการได้คุณค่าที่สูงล้ำเลิศยิ่งกว่าสิ่งที่จะพึงได้กันตามปกติในโลกนี้ได้แก่ความงอกงามแห่งชีวิตจิตใจที่ก้าวหน้าเติบโตขึ้นด้วยคุณธรรมความใฝ่ใจในทางศิลธรรมในเรื่องบุญเรื่องกุศลในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามกิจกรรมที่อาศัยศรัทธาและความเสียสละการมีความมั่นใจในคุณธรรมมีความสงบสุขทางจิตใจ การรู้จักปีติสุขที่ประนีตด้านในตลอดจนคุณวิเศษที่เป็นผลสำเร็จทางจิตคือฌานสมาบัติซึ่งเดิมรวมถึงการตรัสรู้ที่เป็นปรมัติ์ด้วยสัมป ร, รายิกัตถานี้เป็นขั้นที่ผ่อนคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุทำให้ไม่ยอมตีฆ่าผลประโยชน์ด้านอามิ t h สูงเกินไปจนจะต้องมุ่งควยคว้า ย, ยอมสยบหรือเป็นเหตุให้กระทากรรมชั่วร้าย หันมาให้คุณค่าแก่คุณธรรมความดีงามรู้จักทำการด้วยความใฝ่ธรรมรักความดีงามรักคุณภาพชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจเมื่อลุถึงอัตถะขั้นนี้ก็จะมีผลย้อนกลับมาให้ใช้ให้ปฏิบัติต่อทิฏฐะธรมิกถะในทางที่เป็นคุณเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมเช่นแทนที่จะมุ่งใช้เงินทองบำเรออมิสุ ก็หันไปใช้ทรัพน์นั้นสงเคราะห์แทนและทำกิจกรรมพัฒนาชีวิตสูงขึ้นไปขั้นที่สมปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมายสูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้ายได้แก่การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรมไม่ตกเป็นธาตุของโลกและชีวิตมีจิตใจเป็นอิสระโลง่งโลง่งผ่องใสเบิกบานไม่ถูกบีบคั้นคับข้องจำกัดด้วยความยึดติดถือมั่นวันวาดของตนเองปราศจากกิเลสเผาลนที่ทำให้เศร้าหมองขุนมัวอยู่อย่างไร้ทุกประจักษ์แจ้งความสุขปราณีตภายในที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิง อันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นสว่างสวัยเบิกบานโดยสมบูรณ์เรียกว่าวิมุตติและนิพพานพระพุทธเจ้าทรงยอมรับความสำคัญของประโยชน์หรือจุดหมายเหล่านี้ทุกขั้นโดยสัมพันธ์กับระดับความเป็นอยู่การครองชีพสภาพแวดล้อมและความร้อมหรือความแก่กล้าสุบงอมแห่งอินทรีย์ของบุคคลนั้ น, น, น อย่างไรก็ดีพึงสังเกตว่าในพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นมีข้อที่ทรงเน้นไว้ซึ่งควรจะกล่าวสำทับว่าตามคติของพระพุทธศาสนาบุคคลทุกคนควรดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายอย่างน้อยถึงขั้นที่สองกล่าวคือเมื่อได้บรรลุทิฐธรรมิกถะแล้วก็ดีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอไม่พึงหยุดอยู่แค่นั้น ควรก้าวต่อไปให้ได้อย่างน้อยบางส่วนของสัมปราคยิกาถะด้วยผู้ได้ประสบจุดหมายหรือประโยชน์ถึงสองขั้นนี้แล้วท่านยกย่องให้ว่าเป็นบัณฑิตแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่าไร้ค่าในโลกนี้ในด้านวิธีปฏิบัติหรือดำเนินชีวิต เพื่อเข้าถึงจุดหมายขั้นต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนไว้ครอบทั่วทุกระดับเช่นบางแห่งตรัสหลักธรรมสี่ประการที่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมิกาถะคือหนึ่งความขยันหมั่นเพียรรู้จักใช้ปัญญาจัดการดำเนินกิจการเรียกว่าอุทานสัมปทาสอง รู้จักเก็บรักษาทราพัพย์สินและผลแห่งการงานให้รอดพ้นอันตรายไม่เสื่อมเสียเรียกว่าอารักขสัมปทา3รู้จักเซวนาคบหาคนดีที่เกื้อกูลแก่การงานจิตปัญญาและความก้าวหน้าของชีวิตเรียกว่ากัยาณามิตตาสี่ รู้จักเลี้ยงชีวิตแต่พอดีให้มีความสุขได้โดยไม่สูรุวยสุร่ายฟุ่มเฟื่อยให้รายได้เหนือรายจ่ายมีส่วนที่ประหยัดเก็บไว้สามารถออมทรัพย์ไว้ให้เพิ่มผลขึ้นได้เรียกว่าสมชีวิตตาพร้อมกันนั้นก็ตรัสหลักธรรมสี่ประการที่เป็นไปเพื่อได้สัมปรายกัตถะคือ 1. มีความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลถูกหลักพระพุทธศาสนาทราบซึ้งในคุณพระรัตนไรเชื่อการกระทำมีสิ่งดีงามเป็นหลักคิดเหนียวจิตใจเรียกว่าศรัทธาสัมปทา 2. ถึงพร้อมด้วยศีลมีความประพฤติดีงามเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตมีระเบียบวินัยสมควรแก่ภาวะแห่งการดำเนินชีวิตของตน เรียกว่าศิลสัมปทา 3. ประกอบด้วยความเสียสละรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือเรียกว่าจาขะสัมปทา 4. ีดำเนินชีวิตด้วยปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช้วิจารณญาณ รู้เท่าทันโลกและชีวิตสามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระได้ตามโอกาสเรียกว่าปัญญาสัมปทาส่วนปรมัตฐะนั้นเนื่องจากเป็นจุดหมายสูงสุดและยากที่สุดทั้งโดยการที่จะเข้าใจและการที่จะปฏิบัติอีกทั้งเป็นส่วนที่เป็นความแตกต่างหรือข้อพิเศษของพุทธศาสนา ที่แปลกออกไปจากลทัทธิคำสอนเท่าที่มีอยู่ก่อนจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนเน้นหนักดังปรากฏคำสอนเพื่อประโยชน์ข้อนี้กระจายอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกและนำมากล่าวไว้บ้างเป็นคราวๆพอเป็นเข้าโครงในหนังสือนี้สำหรับประโยชน์สองขั้นต้นเขาก็มีสอนกันเรื่อยมาเป็นของที่พอจะแพร่หลายอยู่ เฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ขั้นที่หนึ่งเขายอมสอนกันอยู่เป็นธรรมดาแม้ในหมู่ชาวบ้านทั้งหลายโดยสอดคล้องกับทินฐานและการละสมัยคำสอนใดได้ผลดีและไม่ชักให้เคลื่อนเขวยออกจากมัชฌิมาปฏิปทาชาวพุทธก็ยอมรับเอามาปฏิบัติได้ทันทีไม่มีข้อใดจะขัดข้องและชาวพุทธชาวบ้านเองก็ย่อมสามารถที่จะเสริมแต่งปรับปรุงเพิ่มขยายข้อปฏิบัติระดับนี้ ให้ได้ผลดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปอันหนึ่งในพระสูตรที่ได้ยกมาอ้างไว้ข้างต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นหลักธรรมที่จะให้บรรลุประโยชน์ทั้งหลายต่างออกไปอีกแนวหนึ่งคือทรงย้ำอั ป, ปมาท ธ, ธรรมอันได้แก่ความไม่ประมาทไม่เพิกเฉยไม่เฉื่อยชาไม่ละเลยแต่ให้เอาใจใส่ กระตอรือรือร้นขวนขวายรู้จักเตรียมพร้อมระวังระวัยเร่งทำสิ่งที่ควรทำเร่งแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเร่งประกอบการที่ดีงามโดยถือว่าอัปมาทธรรมนั้นเป็นคุณธรรมพื้นฐานหรือเป็นหลักใหญ่ที่จะให้บรรลุประโยชน์ทั้งที่เป็นทิฏฐธมิกธาและสัมปรายิกถะ ทั้งนี้มีเงื่อนไขเสริมไว้ด้วยว่าความไม่ประมาทนี้พึงต้องตั้งอยู่บนรากฐานคือการเสวนาคบหาคนดีความมีกัลยาณมิตรการเอาใจใส่สนใจคนดีรู้จักไปพบไปหาคบหาเลือกหาคนดีมาไว้ใช้งานแล้วรวมในกิจการเป็นต้นอันหนึ่งทรงไขความความไม่ประมาท ว่าหมายถึงความไม่ประมาทในกุศลธรรมคือในการประกอบการที่ดีงามทั้งหลายดังที่ในตอนท้ายทรงขยยความกุศลธรรมนั้นออกไปอีกด้วยัยพ์ว่าบุญกิริยาทั้งหลายคำว่าบุญกิริยาทั้งหลายนี้เป็นเงื่อนหรือขั้วต่อที่พึงสนใจเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับจุดหมาย หรือประโยชน์ที่เป็นขั้นรองลงมาด้วยในโอกาสใดก็ยอมแสดงว่าในโอกาสนั้นทรงผ่อนการเน้นในจุดหมายขั้นสูงสุดคือปรมัตถะลงมาเมื่อผ่อนในด้านจุดหมายแล้วในด้านวิธีการก็ยอมจะผ่อนลงมาด้วยเช่นกันการที่ผ่อนเช่นนี้มีใช่เฉพาะในกรณีตรัสหลักธรรมสาหรับเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะกรณีกรณีเท่านั้น แม้แต่คำสอนในรูปที่เป็นระบบวิธีกว้างๆสำหรับใช้เป็นหลักกลางก็ทรงผ่อนจัดวางหรือประยุกต์ใหม่ให้เหมาะสมเช่นกันดังปรากฏว่าในการสอนที่เกี่ยวกับจุดหมาย3ามขั้นนี้แทนที่ระบบปฏิบัติของมรรคจะถูกจัดขั้นตอนออกมาในรูปของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่คุ้นกันอยู่ในธํานองการสอนทั่วไปที่มองหมายปรมัตถะเป็นจุดเด่น ระบบพิธีของมาร์กนั้นกลับถูกจัดรูปขั้นตอนใหม่เป็นหลักทั่วไปที่เรียกว่าบุญกิริยาหรือบุญกิริยาวัตถุซึ่งมีจำนวนสามข้อหรือสามขั้นเช่นเดียวกับรายสิขาแต่มีรายชื่อหัวข้อนั้ น, น, นต่างออกไปบุญกิริยาหรือบุญกิริยาวัตถุ3มประการนั้นคือ 1ทานการให้การสละการเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ขาดแคลนบ้างให้เพื่อสงเคราะห์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสมานไมตรีแสดงน้ําใจสร้างสามัคคีบ้างให้เพื่อบูชาคุณความดีเพื่อยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนดีบ้าง เป็นการให้ในด้านทรัพย์สินสิ่งของปัจจัยเครื่องใช้อย่างชีพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้ความรู้ศิลปะวิทยาการให้คำแนะนำสั่งสอนบอกแนวทางดำเนินชีวิตหรือให้ธรรมะก็มีให้ความมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกิจที่ดีงามก็มีตลอดจนให้อภัยที่เรียกว่าอภัยทาน สศีลความประพฤติดีงามและการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตความมีระเบียบวินัยและมีกิริยามารยาทงดงามเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเน้นศีลในระดับการไม่เบียดเบียนหรือการอยู่ร่วมกันด้วยดีโดยสงบสุขในสังคมศีลที่เน้นในระดับนี้ก็คือศีลหได้แก่การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์กันการไม่ละเมิดต่อครองรักไม่ประทุษร้ายจิตใจลบหลู่เกียรติทำลายตระกูลวงศ์ของกันและกันการไม่หักร้านลิ์รอนผลประโยชน์กันด้วยวิธีประทุษร้ายทางวาจาและการไม่ซ้ำเติมตนเองด้วยสิ่งเสพติดซึ่งทำให้เสื่อมทรามเสียสติสัมปชัญญะที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งป้องกันจากความผิดพลาดเสียหายและคุ้มตัวไว้ในคุณความดี นอกจากนี้อาจฝึกตนเพิ่มขึ้นในด้านการงดเว้นสิ่งหรูราฟุ่มเฟือยบำรุงบำเรลพรนเรลความสุขต่างๆและหัดให้เป็นอยู่ง่ายๆมีชีวิตเป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้นด้วยการรักษาอุโบสถถือศีลแปดตลอดจนศีลสิบตามโอกาสหรืออาจปฏิบัติในทางบวกเช่นขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ร่วมมือและบริการต่างๆหรือวยาวัจกรรม 3. ภาวนาการฝึกปลือจิตและปัญญาคือพัฒนาฝึกอบรมจิตใจให้เจริญขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆให้เข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นและให้มีปัญญารู้เท่าทันสังขารพูดอย่างสมัยใหม่ว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิตหรือมีโลกทธศน์และชีวธศน์ที่ถูกต้องภาวนาในที่นี้ก็คือสมาธิและปัญญา ในรายสิขาพูดเต็มว่าสมาธิภาวนาหรือจิตตะภาวนาและปัญญาภาวนานั่นเองแต่ไม่ย้ำเน้นแต่ละอย่างให้เด่นนักจึงผ่อนเอามารวมจัดเข้าเป็นหัวข้อเดียวกันมีความหมายคลุมตั้งแต่สัมมาวายามะที่ให้เพียรละกิเลสเพียอรอบรมปลูกฝังกุศลธรรมในหมวดสมาธิจนมาถึงการมีสั ม, มาทิฏฐิ และความดําริชอบในหมวดปัญญาโดยเน้นเมตตาภาวนาอันเป็นที่มาของความสุขทั้งในตนเองและในสังคมวิธีการและข้อปฏิบัติที่ท่านแนะนำสำหรับการพัฒนาจิตและปัญญาในระดับเหมารวมอย่างนี้ก็คือการแสวงปัญญาและชำระจิตใจด้วยการสดับธรรมซึ่งรวมทั้งอ่านที่เรียกว่าธรรมะสวนะ การแสดงธรรมสนทนาธรรมการแก้ไขปลูกฝังความเชื่อความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องการเจริญเมตตาและการควบคุมขัดเกล็กิเลสโดยทั่วไปเป็นอันเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงผ่อนกระจายจุดหมายของชีวิตหรือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมออกเป็นระดับต่างๆจนถึงขั้นต้นๆแล้ว ก็ได้ทรงผ่อนจัดระบบวิธีดำเนินชีวิตหรือวิธีประพฤติปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องกันด้วยในระบบที่ผ่อนลงมานี้เน้นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางกายวาจาการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์หรือความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นการกระทาที่ปรากฏรูปร่างมองเห็นได้ชัดปฏิบัติง่ายกว่าแยกกระจายเป็นสองข้อคือทานและศีล มุ่งให้ขัดเกลารทำชีวิตจิตใจภายในให้พระนีจเจริญงอกงามขึ้นโดยใช้การกระทำภายนอกที่หยาบ ก, กว่าเป็นเครื่องมือเรียกตามสำนวนทางธรรมะว่าเพื่อกำจัดกิเลสหยาบส่วนการปฏิบัติขั้นสมาธิและปัญญาหรืออธิจิตและอธิปัญญาซึ่งเน้นหนักด้านภายในโดยตรงเป็นเรื่องยากละเอียดลึกซึ้ง ระบบบุญกิริยานี้ไม่แยกเน้นแต่เอามาจัดรวมเสียและพยายามชี้แนะเนื้อหาที่เบาลงในทางปฏิบัติในสมัยต่อๆมามักเป็นที่รู้กันว่าระบบของมาร์กในรูปบุญกิริยาสามนี้ท่านจัดไว้ให้เหมาะสำหรับสอนขรือหัดคือชาวบ้านส่วนระบบที่ออกรูปเป็นรายสิขาที่จะกล่าวข้างหน้าเป็นแบบแผนใหญ่ยืนพื้น เป็นหลักกลางสําหรับการปฏิบัติธรรมเต็มตามกระบวนการพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมแบบเต็มแผนนั้นจึงควรเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามระบบไตรสิกขาอันหนึ่งนอกจากจัดแบ่งโดยระดับเป็นแนวตั้งอย่างนี้แล้วท่านยังจำแนกอัฏฐะไว้เป็นแนวนอนด้วยตามลาดับความรับผิดชอบ หรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โดยแบ่งเป็นสามเหมือนกันดังบาลีต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสกระจ่างไม่ขุนมัวคนตาดียืนอยู่บนฝั่งพึงเห็นได้แม้ซึ่งหอยโขงหอยกาบแม้ซึ่งก้อนหินก้อนกรวดแม้ซึ่งฝูงปลาที่กำลังแหวกว่าอยู่บ้างกาลังหยุดอยู่บ้าง ในห่วงน้ำนั้นนั่นเพราะเหตุไรก็เพราะน้ำไม่ขุนแม้ฉันได้ภิกษุก็ฉันนั้นด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวก็จะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตนคืออัตถะจะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นคือป ร, รัตถะจะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคืออุปยัตถะจกประจักษ์แจ้งได้ซึ่งคุณในวิเศษยิ่งกว่ามนุษสามัน คือญาณทัศนะที่สามารถทำให้เป็นอริยชนข้อนี้ย่อมเป็นฐานะเป็นไปได้นั่นเพราะเหตุไรก็ เ, เพราะจิตไม่ขุนมัวคนใคร้อยากแล้วถูกราคะคือโลภะครอบงำถูกราคะครองใจแล้วคนแค้นเคืองแล้ว ถูกโทสะครอบงำถูกโทสะครองใจแล้วคนหลงแล้วถูกโมห oh ะครอบงำถูกโมห oh ะครองใจแล้วยอมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างยอมเสวยทุกทางใจมีโทมนัสบ้างเมื่อละราคะละโทสะละโมห oh ะได้แล้วยอมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนเอง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคนใกล้อยากแล้วแค้นเคืองแล้วหลงแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจเมื่อละราคะละโทสะละโมหะได้แล้วย่อมไม่ประพฤติทุจริตด้วยกายไม่ประพฤติทุจริตด้วยวาจาไม่ประพฤติทุจริตด้วยใจ คนใกล้อยากแล้วแค้นเคืองแล้วหลงแล้วยอมไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนซึ่งประโยชน์ผู้อื่นซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อละราคะละโทสะละโมหะได้แล้วยอมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนซึ่งประโยชน์ผู้อื่นซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายราคะหรือโลภะโทสะโมหะ ทำให้มืดบอดทำให้ไร้จักสุทำให้โง่เขลาทำให้ปัญญาดับส่งเสริมความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพพานเราเห็นโทษในราคะหรือโลภะในโทสะในโมหะดังนี้จึงบัญญัติการละราคะการละโทสะการละโมหะอริยอัสดางคิกรมรรคนี้แหละกล่าวคือสัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิเป็นมรรค่าเป็นปฏิปทาเพื่อละราคะโทสะโมหะนั้นในบางแห่งแสดงนิวรห้าว่าเป็นตัวสาเหตุให้มองไม่เห็นประโยชน์ทั้งสามนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อมองเห็นประโยชน์ตนก็ควรแท้ที่จะทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท หรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทหรือเมื่อมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ควรแท้ที่จะทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาท